สิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้แลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแล้วชิงเอาคืนณนะที่ไหนตอบทรงบัญญตัตณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารพภิกษุณีทุลสนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลสนันธาแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแล้วชิงเอาคืนในนิสักคียปาจิตติสิกขาบทที่สามนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน สามสมุดฐานละ